โลกุตระเอาเฉพาะส่วนที่เป็นโลกิยาแล้วก็เน้นเฉพาะรู ป, ปรธรรมอายตนะสิทธ์ที่เอามากล่าวนี่เป็นรู ป, ปรธรรมทั้งหมดเลยนะอายตนะคือตาอายตนะคือสีก็เป็นรู ป, ปรธรรมท่านให้กำหนดแค่ตาให้กำหนดแค่สีหรือไม่พูดถึงบ่อเขาบอกว่าไปดูบ่อสิาอายตนะนี้แปลว่าบ่อใครๆที่ขุดบ่อน้ำซับนี่จะรู้ดี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 อย่างสีที่เราเห็นเนี่ยไหลจิตชนิดใดไหลทะลักออกมาบ้างเมื่อลืมตาขึ้นครั้งหนึ่งจิตประเภทไหนไหลทะลักออกมาสีเหล่านั้นสะท้อนให้จิตประเภทใดเกิดขึ้นอย่างเช่นเห็นสีดอกกุหลาบในจิตชนิดใดไหลออกมาเนี่ยก็ผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาก็ไหลออกมาผู้ที่มีโลภาก็โลภาก็ไหลออกมาก็สุดแท้แต่ว่าจิตชนิดใดจะไหลออกมา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 ท ngày, ีน awesome. uh, ี้จิตเจตสิกเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมั้นเมื่อตากับสีประชมการจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็สร้างกรรมเพื่อเมียยตนะต่อไปสร้างกรรมเพื่อให้มีตาจิตเจตสิกที่ไหลทวารหูก็สร้างกรรมเพื่อให้มีหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันเพื่อให้มีจมูกมีลิ้นมีกายและใจเนี่ยเป็นตัวสร้างแล้วเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ โลกเป็นโลกที่ไม่เบื่อในการเห็นโดยรวมๆนะ่ารู้สึกพอหรือยังใครนั่งบอกว่าพอแล้วเบื่อแล้วที่จะเห็นขอเถอะการเห็นครั้งนี้กับพิษตาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตลอดไปพอหรือยังลุงเลียงพอไหมยังนะลุงเลียก็ยังไม่พอดนะเอ้ยยังมีตั้งหลายเรื่องที่ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะอินเดียก็ยังไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยนะก่อนหั้นตาเนี่ยนะน้อยนักที่จะบอกว่าพอแล้วที่จะเห็น พอแล้วที่จะฟังเนี่ยนะอะไรก็ช่างไม่ต้องการได้ยินแล้วปิดหมดแล้วหวังกันเถอะเบื่อเหลือเกินที่จะฟังเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะะไม่ใช่กโกรธนะไม่ได้โกรธหูกถึงเวลาเปลื้องตัวเองออกสักทีหนึ่ง<ม>เบื่อเหลือเกินที่จะต้องอะนะพอละที่จะรู้กลิ่นพอแล้วที่จะลิ้มรสพอแล้วที่จะรับกระทบโทธพธิภพพอแล้วที่จะมีร่างกาย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 สมุเฉทประหารต้องการดับจริงๆตับต้นตอเลยเทั้งหมดนี้นะท่านบอกว่าการวิสัชนาธรรมะสิบข้อเหล่านี้ท่านกล่าวถึงตีระณะปริญญาด้วยอำนาจวิปัสนาทรหนึ่งถึงทรสิบ ท, ทวนอีกครั้งหนึ่งทำหนึ่งคือภระสะเป็นี่ตั้งอาสวะทรสองคือนามรูปทรสามเวทนาสามทำสี่อาหารสี่ทห้าคืออุปาทานขันห้าทำหก อายตนะภายในหกทรเจ็ดก็คือวิญญาณทิตฐิเจ็ดทำแปดโลกธรรแปดทรเก้า 9, สัตวะเก้าทำสิบแหละอายตนะสิบเนี่ยนะทเหล่านี้ควรพิจารณาด้วยอำนาจวิปัสนาด้วยการเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นซึ่งการเห็นเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปแช่ง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 รอบคอบทำไมงั้นไม่พอที่จะเบื่อหน่ายหรอกเห็นไหมตัณหาของเราทั้งหลายที่ไหลไปตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันเป็นยางเหนียวที่มันทะลักดุดกระแสน้ําที่ไหลผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหามันมากขนาดนั้นถ้าพิจารณาเล็กๆน้อยๆตัดตัณหาไม่ได้หรอกทั้นตัณหาเนี่ยที่มันไหลตามทวารต่างๆกิเลสที่มันเกิดไหลไปตามทวารต่างๆ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 หรือที่ตรงเนี้แปลว่ากําหนดรู้ที่ควรเข้าไปรอบรู้โดยการไข่ครควนอะไรบ้างตาควรกําหนดรู้หรือตาเนี่ยควรทําปริญญารูปควรทําปริญญาจากักรวิญญาณควรทําปริญญาจากักรวิสัมผัสควรทําปริญญาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากักรวิสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยควรทําปริญญาเนี่ยนะ ปริญญากับกำหนดรู้เนี่นะผมมาชอบคําว่าปริญญามากกว่าคําว่ากําหนดรู้คืออาจจะเรียนภาษาไทยไม่จบอ่ะนะคำว่ากําหนดดูซิทำเป็นยังไงเนะี่ยก็กําหนดก็เหมือนกับแตก แ, แตะอะไรสักอย่างเหมือนไปเออทรงจําเอาไว้กําหนดจดจำนะเพราะเราได้ได้ยินราลักษณะนั้นแต่คําว่าปริญญาในที่นี้แปลว่าการเข้าไปเรียนรู้รู้รอบไขครควนอย่างละเอียดที่ถ้วนโดยมีหลักวิชาเข้าไปไขครควน ไม่ใช่เออไม่รู้จะไปไขครวนว่ายังไงแต่ไขครวนแบบคนมีวิชาวิชาที่ไปไขครวนเนี่ยไขครวนโดยอย่างไรบ้างนะก็ไขครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงไขครวนโดยความเป็นทุกข์ไขครวนโดยความเป็นอนัตตาเป็นต้นเลยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มันมันพิจารณาเนาะมันพิจารณามันไขครวน ใครควรตามทวารตาเนี่ยนะอย่างเช่นตาควรทำตีรณะปริญญาถ้าเราลองมาแบบพูดแบบภาษาเต็ Honestly, มๆก็คือตาควรทำตีรณะปริญญารูปควรทำตีรณะปริญญาจักขูวิญญาณควรทำตีรณะปริญญาจักขูสัมผัสควรทำตีรณะปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำตีรณะปริญญาเนี่ยนะ ก็อย่างว่านะถ้าทาวารตามีอยู่ห้าคำใช่ไหมตะตารูปจักรูวิญญาณภาษะเวทนาถ้าคุณไม่อนะพิจารณาแบบอภิตตาปริยสูตรเามาว่าเบาที่สุดแล้วในบรรดาการพิจารณาซึ่งพระองค์ก็ให้สูตรชัดเจนนะใช่ไหมอะนะพิจารณาโดยความเป็นของร้อนก็ได้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้นะร้อนเพราะอะไรไฟคือราคะไฟคือโรสะไฟคือโมหะ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 ไม่เหมือนกันนะจนกว่ามีสามัญยสํสำนึกโดยจิตวิญญาณที่สูงส่งว่ามันร้อนจริงๆร้อนอยังไงก็ร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นต้นเน่ยนะร้อนด้วยสังกิเลธธรรมเป็นต้นโอ <c oughs> หโหนี้ควรกำหนดรู้ด้วยตรีรณะปริญญาเสียงควรกำหนดรู้ด้วยตรีรณะปริญญาโสตวิญญาณควรกำหนดรู้ด้วย ตรณปริญญาโสตสัมผัสควรกําหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรพิจารณาโดยตีรณปริญญาก็ใค่อยคว ร, คร ถ, วถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีของหูของเสียงของโสตวิญญาณผัสสะและเวทนาเหล่านี้ <c oughs> หรือจะพิจารณาตามอธิปริยยสูตรที่กล่าวเมื่อกี้ก็ได้ว่าโหเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโส so, ตวิญญาณเป็นของร้อนโส so, ตสัมผัสเป็นของร้อนแม้ ä, สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโ so, สตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ ón, ้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ